คือรายการทาและทัศนาชีวิตผมว่าสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะเริ่มพุทธใจยมงคล้อทีห้าคือกล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงชนะนางจินจะมานาวิกาเออซึ่งได้การแกล่งใส่ร้ายพระองค์โดยอาการว่า มีท้องกับพระองค์จนชาวเมืองสาวัตถีเชื่อถือกันมากยกเป็นพระอริยาบุคคลเรื่องที่นางแกล้งใส่ความพระพุทธองค์ก็เพื่อให้เสียชื่อเสียงสาเหตุเนื่องมาจากการยุยงของพวกเสียถีนิกคนซึ่งริธยาพระพุทธเจ้าและพระสงค์ แต่พระพุทธองค์ก็ทรงเอาชนะได้โดยวิธีสงบวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทนางจินจะมานาวิกาและไปยืนด่าพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดีแต่อภิรมแต่ไม่เลี้ยงดูเมื่อมีท้องบังเอิญเพราะพุทธานุภาพเปือ อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปนะครับพันไม้กลมและผ้าที่นั่งยับไปตรงหน้าท้องหลดลงมาปรากฏแกใสต่ตาเป็นพันๆคู่ความจริงก็เผยออกมาโดยอาการอย่างนี้ท่านก็ได้ผูกเป็นคำฉันไว้ว่ากัดตะวานากัดเทุทรัง ที่ว่าขับพินาิาจินจายะทุทธวจนังชน ก, กายามัจเชสันเตนสโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวัตุเตชยมังขลานิแปลว่านางจินจมานวิกาใช้ไม้มีสันฐานกลมใส่ที่ท้อง ร, รมอาการประหนึ่งว่ามีกัน เพื่อกล่าวใจพระผู้มีพระภาคเจ้าพระจอมมุนีทรงเอาชนะโดวยวิธีสงบท่ามกลางหมู่ชนเป็นอันมากด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้านั้นขอชัยยะมงคลจงมีแก่ท่านอันนี้เป็นใจความย่อนะครับเป็นข้อความย่อเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่นนี้ก็ขอลงรายละเอียดนิดหนึ่งเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนางจินชมานาวิกาแล้วก็หัวข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสแสดงปรกอการรบนางจินชมานาวิกาเรื่องก็มีอยู่ว่าในปฐมโพธิการคือระยะต้นแห่งการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าเมื่อพระสาวกของพระองค์ มีมากประมาณไม่ได้เมื่อเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากอย่างลงในอริยภูมิคือภู้แม่งพระอริยคือเป็นพระอริยและเมื่อพระคุณธมุตไทยคือเหตุที่จะให้ทราบถึงพระคุณของพระศาสดากำลังแผ่ไพศาลอยู่นั่นเองลาบสการะและความนับถือเป็นอันมาก ก็เกิดขึ้นแก่พระศัสดาและพระสาวกพวกเดรัถีนีคนทั้งหลายเป็นเช่นกับแสงหิ่งห้อยท่ามกลางแสงอาทิตย์เสื่อมจากลาบสักการะเพราะไม่มีใครนับถือหรือมีผู้นับถือน้อยลงมากพวกเดรัีก็มายืนอยู่กลางถนนแล้วประกาศว่าพระโคดม เท่านั้นหรือที่เป็นพระพุทธเจ้าพวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันทานที่ให้แก่พระสมณโคดมเท่านั้นหรือที่มีผลมากทานที่ให้แก่พวกเราก็มีผลมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้ทานแก่พวกเราบัางแต่ว่าขอกันดื้ ข อ, อกันดื่อๆเลยทีเดียวแม้กระ น, นั้นก็ไม่สามารถที่จะทําให้ลาบส ก, การะเกิดขึ้นได้จึงประชุมกันว่าพวกเราควรนาโทษใส่พระสมณโคดมสักอย่างหนึ่งให้คนทั้งหลายหมดความเชื่อความเลื่อมใสในพระสมณโคดมลาบส ก, การะความนับถือจะได้เกิดขึ้นแก่พวกเราอย่างเดิม เขาตกลงกันว่าจะยิงเป็นเครื่องมือทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าจะใช้ยิงหนึ่งเป็นเครื่องมือทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าอันนี้เขาเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสนะครับกิเลสเป็นสิ่งนากลัวจะบันดาศัตรูทั้งหลายกิเลสเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของมนุษย์เรา เรื่องที่ยุ่งยุ่งกันอยู่ในสังคมมนุษย์ก็มีกิเลสเป็นแดนเกิดถือว่าตัวเนธมันอยู่ที่กิเลสนั่นเองทําให้เกิดเรื่องยุ่งยากมากมายในสังคมมนุษย์ถ้าในสังคมใดที่คนมีกิเลสน้อยเรื่องยุ่งยากก็มีน้อยแต่พอมีกิเลสมากขึ้นถือว่าไม่สามารถจะดับมันได้ระงับมันอยู่มันก็สร้างปัญหาต่างๆ สร้งเรื่องต่างๆให้เกิดขึ้นใส่ร้ายผู้อื่นบ้างกล่าวร้ายผู้อื่นบ้างทํำร้ายผู้อื่นบ้างมากมายเหลือที่จะขนานนับเพราะว่าดูเรื่องโลกดูกล่าวทางโลกต่างๆก็ก็ยิ่งดูก็ยิ่งสังเวชสลดใจในพฤติกรรมของมนุษย์ว่าทําไมทําไมมนุษย์จึง ทำกันได้ถึงขนาดนี้ทำลายและทำรารกันได้ถึงขนาดนี้นี่ก็เรื่องก็ทำนองเดียวกันโดยแรงวิ์ยาที่เกิดขึ้นในใจของพวกเดรัจฉิดนิคนทั้งหลายก็ใส่ไร้ป้ายสีพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เครื่องมือถ้าได้เครื่องมือ ค, คือคือหญิงคนหนึ่ง ในครั้งนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อจินจะมานวิการูปสวยมากท่านกล่าวว่าสวยงามเหมือนเทพอับสรแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเทพอับสันหรือนังเทพธิดาก็ไม่รู้ว่าสวยขนาดไหนแต่ต้องทาท่านที่เคยเห็นท่านว่ารัศมีออกจากกายของเธอน่าดูน่าชม แล้วก็เป็นพวกเดียวกันกับพวกเจรธีวันหนึ่งขณะที่จินจมานวิกาปริปาชิกาไปหาพวกเจรธีที่อารามนะครับทำความเคารพแล้วยืนอยู่ที่เคยมานั้นเดรธีก็ย่อมจะแสดงอาการยินดีต้อนรับเมื่อนางมาแต่วันนั้นทุกคนเฉยโดยหมด นางพูดว่าพระคุณเจ้าที่ฉันไหว้อย่างนี้ถึงสามครั้งแต่พวกเดรัจฉีก็ยังคงเฉยอย่างเดิมนางคิดว่าเธออาจมีความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งจึงถามว่าดิฉันมีความผิดอะไรเถอดิฉันได้ทําอะไรให้ไม่เป็นที่พอใจของพระคุณเจ้าหรือจึงพากันนิ่งไปหมดไม่ยอมพูดกับที่ฉัน เจตทีจึงได้กล่าวขึ้นว่าเราไม่ทราบต่อคือว่าเวลานี้ลาบสกายระของเราเสื่อมหมดแล้วเพราะใครเพราะสมณะพระสมณะโคดมคนเดียวจะไม่รู้สึกเจ็บร้อนแทนพวกเราบ้างเลยเถิดินจะมานาวิกาตอบว่าความทุกข์ของพระคุณเจ้าทั้งหลายก็เหมือนความทุกข์ของดิฉันเอง ไว้เป็นหน้าที่ของดิฉันเถิดจะจัดการให้เป็นที่เรียบรย้อยทำลาบสักการะให้เกิดขึ้นแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายอย่างเดิมพูดอย่างนี้แล้วก็จากไปนางก็วางแผนวางแผนว่าจะทําอย่างไรนางก็เริ่มแต่งกายอย่างดีผมผ้าสีสวยเหมือนสีปีด มาแรงค้อมทองสีปิดมาแรงค่อมทองท่านผู้ฟังของนึกดูเป็นสีอะไรถ้าไม่ผิดไม่แน่ใจนะครับถ้าไม่ผิดก็เป็นสีเขียวแล้วก็มีสีทองสีทองปนอยู่ว่าสีเขียวแกมทองทานองนั้นก็ยเร็ยนตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมหมดแล้วเพราะว่านานเหลือเกินแล้ว ผมผ้าสีสวยเหมือนสีปีกมแมลงข้อมทองถือของหอมและดอกไม้มุ่งหน้าไปยังวัดเชดตวันในเวลาที่ชาวเมืองสาวัตถีฟังธรรมแล้วก็กลักออกมานางเดินสวนเข้าไปเมื่อมาาชนถามว่าจะไปไหนเวลานี้นางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านในการไปหรือการมากองข้าพเจ้าอย่างนี้แล้ว ก็เดินผ่านวัดเชตวันไปพักอยู่ที่วัดของพวกเจริญทีใกล้วัดเชตวันนั่นเองตอนเช้าเมื่ออุบาสกวาสิกาชาวนครสาวัตถีออกจากนครไปวัดเชตวันเพื่อถวายบังคมพระสัสดานางชินชมาณวิกาทำที่เหมือนว่าตนพักอยู่ในวัดเชตวันทั้งคืนโดยการเดินสวนออกมา เมื่อบาสกถามว่าท่านพักอยู่ที่ไหนนางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านกับที่พักของข้าพเจ้านางทำอยู่อย่างนี้ประมาณสองเดือนเมื่อคนทั้งหลายถามอีกจึงตอบว่าข้าพเจ้าพักอยู่ใ น, นพระคันธกุดีของพระสมณโคดมในวัดเชตวันนั่นเองเจ้าพุทที่เป็นบุตุชนทั้งหลาย สงสัยกันมากกว่าข้อความที่นางชินสมานาวิกากร่าวนั้นเป็นความจริงหรือ no ส่วนราเรียบุคคลไม่มีใครเชื่อเลยล่วงไปสามสี่เดือนนางเอาผ้าพันทองให้หนาขึ้นเพื่อแสดงว่ามีคันและให้คนทั้งหลายเข้าใจว่านางตั้งคันเพราะร่วมอภิรมกับพระโคดมพระลมัสสสดา ที่คันทกูดีในวัดเชตวันพอถึงเดือนที่แปดที่เก้านางก็เอาไม้กลมๆผูกไว้ที่ตองเอาผ้าห่มทับไว้ให้คนเอาไม้คลางโกทุบหลังมือหลังเท้าให้บวกขึ้นให้มีอวัยวะต่างๆบอบ้ำอลอหลวงคนทั้งหลายให้เข้าใจว่า ตนมีคันแก่จวนคลอดเต็มทีแล้วเย็นวันหนึ่งขนาดที่ทรศสสดากำลังแสดงธรรมอยู่ข้ากลางพุทธบริษัทในธรรมสภานางได้ข้าไปยืนตรงพระพักของพระตถาคตเจ้าแล้วก็กล่าวว่ามหาสมณะพระองค์ดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเท่านั้นกระแสเสียงของพระองค์ไพเราะยิ่งนัก พระโอษของพระองค์ดูสนิท ด, ดีแต่พระองค์ไม่ได้สนพระไถ่ในหมอบชั้นเลยหมอมชั้นซึ่งตั้งคันครบกําหนดคลอดแล้วคันนี้อาศัยพระองค์ตั้งขึ้นพระองค์ไม่อาพระไถ่ใส่ต่อเครื่องบริหารคันเลยเมื่อไม่ทําเองก็ควรจัดบอกสาธารณิตคนใดคนหนึ่งเช่นนางวิสาขาหรือนาทปินดิกะ รือพระเจ้าปเสนที่โกสดให้ช่วยเหลือในการนี้พระองค์ทรงรู้แต่การอภิรมย์อย่างเดียวแต่ไม่ทรงสนพระไยในเรื่องการคลอดของหม่อมฉันเลยความพยายามของนางเป็นเหมือนจับก้อนคูดขึ้นป่ามนทนพระจัน์พระตถาคตเจ้าหยุดแสดงธรรมอยู่ครู่หนึ่ง วมืน่นางพูดจบพระพุทธองค์ก็ตรัสด้วยพระกระแสเสียงอันเรียกว่าน้องหญิงเรื่องนี้เราสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนางกินชมาณวิกาโกรธมากเด้นด่าพระตถาคตเจ้าจนเชือกขาดพาและทอนไม้กลงเปียงหล่นลงมาจากท้องของนางอันนี้ขอเล่า เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับคื อ, อถ้าเล่าตามตำนานหรือตามตำราในอัตริฐาท่านเล่าว่าเมื่อพระสัสดาจัดเช่นนี้แล้วก็ร้อนถึงเท้าสักกะเทวราชเอาเทวดามาช่วยเท้าสักกะเสด็จมาพร้อมเทพระบุษีองค์เทพประบุษ์แปลงเป็นลูกหนูเข้าไปกัดเชือกที่นางผูกไว้จนเชือกขาด อาเล่ทอนไม้ก็หล่นลงมาอท่านอัตกริาะท่านว่าอย่างนี้นมาชนได้เห็นกับตาเช่นนั้นก็แช่งด่านางจินจมานาวิกาว่าเป็นหญิงกาละกันนี้ใส่ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พากันทมน้ำลายใส่บ้างควางด้วยก้อนดินและทอนไม้บ้างชุดกระชาออกไปจากวัดเชต ด, ดาวัน รับครองพระเนตรของพระศัสดาไปเท่านั้นจินจามานาวิกาก็ถูกแผ่นดินสุขไปเกิดในเอเวจีม า, านรุกวันรลงขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องที่นางจินจามานาวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าแล้วถูกแผ่นดินสุขพระศัสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย แม้ในการก่อนนางจินจะมานวิการนี้ก็เคยหาเรื่องใส่ร้ายเราตาตาคตแล้วเหมือนกันแล้วก็ถึงความพินาศเหมือนกันจากนี้แล้วจัดใจความสําคัญในมหาปทุมมัาดุว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงแล้วไม่พิจารณาด้วยตนเองแล้ว ไม่พึงลงโทษหรืออัจฉยะความย่อในมหาปทุมมัาดกนะครับจะนํามาเาล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดหนึ่งความย่อในมหาปทุมมัาดกว่าครั้งนั้นนางกินจะมานวิกาเป็นหญิงร่วมสามีกับพระมารดาของมหาปทุมกุมาร น, นางเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระราชา พระาชานี้คือพระราชบิดาของอพระปทุมกุมารโพธิสัตว์นางมีจิตปฏิพัตในมาหาปทุมกุมาร น, นั้นจึงย้าวยวนชวนเชิญให้ประกอบกรรมกิจกับนางแต่พระโพธิสัตว์ไม่ทรงยินยอมไม่ยอมตามอย่างนั้นดยเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สมควร ทางจึงแกร้งทำอาการว่าเป็นไข้และมีอาการเห็นผู้ตั้งขันเมื่อพระาชาตรัสถามก็ใส่ความว่าหมาปทุมกุมารพระราชโอรสของพระองค์ทําให้หม่อมชั้นมีอาการอันแปลกนี้พระราชาทรงติ้วจึงให้ทิ้งพระโพธิสัตว์ลงยังเหวที่ทิ้งโจนเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ภู พระโพธิสัตว์ไปให้ประดิษฐานอยู่ที่ทังผ่านของพระญานาคราชพระญานาคราชนํ า, า, า, น า, านท่านไปสู่นาคภพิภพแบ่งรัชสมบัติให้ครองครึ่งหนึ่งพระโพธิสัตว์อยู่ในนาควพิภพปีหนึ่งอยากจะบวชจึงไปสู่หิมมาวันตตประเทศบวชใต้ฌานและอภิญญาอันนี้ก็แสดงถึงว่า คนดีเมื่อตกทุกข์ได้ยากก็จะมีผู้ช่วยเหลืออาจจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเมื่อล่าวตกทุกข์ได้ยากก็มีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็นำไปให้ได้รับความสุขพอสมควรแก่อัตภาพแต่ท่านก็ไม่พอใจในสภาพเช่นนั้นก็อยู่ไประยะหนึ่งแล้วก็มีความสังเวชสลดใจ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากจะบวชแลก็บวชไปอยู่หิมมวัตตประเทศได้ฌานและอภินญยาต่อมา พ, าพรานไพรผู้หนึ่งมาพบพระโพธิสัตว์เข้าจำได้จึงกลับไปกราบทูลพระราชาพระราชาเสด็จมาเฝ้าส่งทราบเรื่องความเป็นมาทั้งหมดแล้วส่งเชื่อเชิญให้ไปครองราชสมบัติ แต่พระโพธิสัตว์ทรงปฏิเสธแต่ขอร้องให้พระราชากรองแผ่นดินโดยธรรมอย่าได้มีอคติพระราชาเสด็จกับพนักขรให้จับพระมเหสีผู้กันแกล้งใส่ร้ายพระโพธิสัตว์นั้นไปทิ้งหน้าเหวที่ทิ้งโจรแก้วครองแผ่นดินโดยธรรมอันนี้เรียกว่ า, ากรรมสนองถึงเวลาที่กรรมที่ได้แต่ทำไป สนองแต่ว่าคนไม่ดีก็ไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยเอาไว้ก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมของตนไปพระสัสดาทรงประชุมชาดุว่าหญิงผู้นั้นในการนั้นมาเป็นนางจินจมาณวิกาส่วนมหาปทุมมกุมารคือพระองค์อีกพระต ถ, า, ถาคตเจ้าได้จัดในที่สุด ว่าบุคคลผู้ล่วงทำอันเอกเสร็จแล้วทำอันเอกเคยสัจจะนะครับมีปกติพูดเท็จมีปาระโลกอันข้ามเสร็จแล้วจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีอันนี้ก็เป็นใจความาที่เกี่ยวกับเรื่องของนางจินจะมานวิกาครับซึ่งปรากฏในอัตถกถาธรรมบท ก็นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังพอได้ใจความว่าพระพุทธเจ้าทรงช น, นะนางจินสมานวิกาอย่างไรสันเตณโสมวิถินาโดยวิธีแห่งความสงบช น, นะด้วยความสงบ